ได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดียมันก็แข่งกีฬาน่ะจะได้ดีทุกคนได้ยังไงเนมาแข่งกีฬาใช่ไหมมันก็ได้ดีบางคนใช่ไหมถ้าแย่งกันดีน่ยไม่ได้ดีสักคนเหมือนกับเลียงจะขึ้นต้นไม้ใครจะขึ้นกับลากขาไว้ใครจะขึ้นกับลากขาไว้เอาไปมาเลยขึ้นไม่ได้สักคนเลยไม่ได้ดีสักคนถ้าแย่งกันดีน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 เเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ากันละ่ะนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ากันอันนี้ใครๆพอพูดพูดล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าไม่มีอะไรก็คงจะไปตามที่ได้กะเกณฑ์เอาไว้นะล ว, วันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะันอวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศหนาว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 นั้นไปท้องนาจริงๆจากนั้นเขาเขาเห็นศิตธะเป็นเด็กกําลังต้องการอยากจะนอนเพราะคงตื่นแต่เช้าเขาก็ไปปูอาสนะปูที่นอนพอตัวยนต์เฝ้าเสร็จแล้วก็เห็นศิตท่นอนพวกสนมกนํานานทั้งหลายพี่เลี้ยงหลายกับไปดูพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจุดโททนาแลกนาขวัน ก็ปล่อยให้สิทธิ์ท่านสิทธัตถะพระราชกุ ม, มารเนี่ยตัวเด็กๆนอนอยู่ตามลำพังฮะนอนอยู่ตามลำพังที่โครนต้นว่าน่ในเมื่อพระองค์นอนอยู่ตามลำพังพระองค์ตื่นขึ้นมาไม่เห็นสนมกำนันไม่เห็นใครเนี่ยมีแต่พระองค์อยู่ตามลาพังคนเดียวพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเย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 ความสำนึกในพระไทยแลใจของพระองค์ใต้สำนึกของพระองค์นึกขึ้นมาแล้วก็ทำพอทำจิตพระองค์ก็สงบเป็นครั้งแรกจากนั้นพอเสร็จแล้วสนมกรานันพี่เลี้ยงทั้งหลายก็สำนึกได้อาไคยอยู่กับพระลูกยาวนะจากนั้นก็กลับมาเหตุแต่พระลูกยาานั่งคัดสมาธิจูตามลำพังนี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกแต่ท่านี้เมื่อ พ, พระพุทองค์บาเพ็ญตั้งหลายสายทั้งหปีบําเพญ็ญอยู่ที่โคลนต้นว่านบาเพญ็ญทดลองลอ ง, ลองแล้วลองอีกในพุทธประวัติแต่พระองค์กลําลึกถึงสมัยเมื่อเป็นสิทธัตถะเป็นกุ ม, มารนั่งอยู่ที่โคลนต้นว่านเอออันนั้นอันนั้นกระมังที่จะเป็นหนทางที่จะ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 สติอยู่กับตนเองที่จิตที่เป็นสมาธินี่มีคุณค่ามีคุณค่ามหาศาลปณิขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะฝึกหัดเรื่องสมาธิเพราะพุทธเจ้าท่านฝึกมาแล้ววิธีเกิดวิธีการฝึกสมาธิธรรำอย่างไรอย่างที่สมัยท่านเป็นพระ ก, กุมารท่านก็พาทำท่านรู้ก็บอกแนวทางไว้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 แต่พ่อแม่กูบาอาจารย์ของเราบุกป่าผาดงมาหาภาวนาในสถานที่สงบสงัดในภาคอีสานไปถึงทางภาคเหนืออีกต่างหากหลายหลายแห่งจากนั้นก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เดินตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นอีกแต่ทุกวันนอย่างว่าป่าดงผงพายแตกทะลุผู้พาไปหมดแล้วเราจะไปเข้าไปในป่าเขากลัว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 เห็นโลกใบนี้ว่าเป็นสวรรค์เป็นบ่อหลมมาสุขหรือว่าเป็นความสุขอยู่นะนะอีกสักวันหนึ่งอีกสักช่วงนาทีหนึ่งข้างหน้านะเราจะเห็นได้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นพอเห็นแล้วก็เฮ้มันทุกข์แล้วก็มันกระผานไปลืมไปอีกล่ะเกิดมาพบหน้าชาตินาก็หลงอีกพอหลงขึ้นมาอีกพอทุกข์ขึ้นมาอีกเอ้าน้ําตาร้องหน้าล้องห่มร้องไอ้ทุกข์อีก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 ก่อนที่ใจจะขาด่ทุกที่สุดหลวงพ่อดูแล้วช่วยตนเองก็ไม่ได้ขนาดเสล็์พันในคอค่าเสเล็์ออกคงไม่ได้เพราะหมดกําลังเ อ, อมีแต่ตาลีตะเหลือกกระเสือกกระสนเห็นแล้วโอไม่น่ามาเกิดจริงจริงควรจะหาทางพ้นทุกตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ท่านวางไว้ที่มาให้มาเกิดนั่นคืออร่อยว่ากิเลสราคะโทสะโมหะ